บทที่สองชมรมใต้ดินในเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งลึกลับที่ยังไม่รู้เราจะต้องทำอย่างไรดีหนีไปให้พ้นแล้วทำเป็นลืมมันซะอย่างนั้นหรือสำหรับคนอื่นข้าพเจ้าไม่อาจทราบได้แต่สำหรับข้าพเจ้าเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะหนีไปและทำลืมลืมมันซะนเรื่องนี้มีเหตุผลอยู่สองประการ คือประการแรกมันทำให้เกิดความอยากรู้อยากศึกษาเป็นอย่างยิ่งประการที่สองคือมันเป็นเรื่องที่ลืมไม่ได้และหนีไม่ได้เสียแล้วสภาวะอันแปลกประหลาดนี้กลายเป็นเรื่องประจำตัวประจำชีวิตที่แยกไม่ออกช้าชานานนก็มาเตือนให้ข้าพเจ้ารู้สึกตัวเสียทีหนึ่งโดยข้าพเจ้าไม่มีทางจะหลบเลี่ยงได้เลยความอยากหลบไปให้พ้น แต่และก็รู้ตัวว่าหลบไปไม่ได้ประการหนึ่งและความอยากรู้อยากศึกษาอีกประการหนึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งกันในจิตใจอยู่เสมอมีปัญหาที่คิดไม่ตกอยู่ว่าถ้าสภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าไปเรื่อยๆเป็นเวลานานๆผลจะเป็นอย่างไรและผลข้างหน้าที่ยังไม่สามารถรู้ได้นี่เองเป็นการทรมานใจมาก ที่จริงข้าพเจ้ารู้สึกตัวว่ามีความเกรงกลัวผลร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในทางใจยิ่งกว่ากลัวผลที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกายเสียอีกการที่มีเพื่อนเป็นจิตแพทย์อยู่หลายคนก็ดีประกอบกับการที่ได้เคยศึกษาวิชาจิตวิทยามาบ้างก็ดีทาให้ความกลัวของข้าพเจ้ารุนแรงขึ้นยังช่วยตัวเองไม่ได้ที่ร้า ย, ยิ่งขึ้นก็คือ ในที่สุดข้าพเจ้าก็ไม่กล้าไปปรึกษาเพื่อนฝูงที่เป็นจิตแพทย์อีกต่อไปเพราะเกรงว่าจิตแพทย์เหล่านั้นจะทึกทักเอาว่าข้าพเจ้ากลายเป็นคนไข้ของเขาไปด้วยและต่อจากนั้นก็เป็นอันแน่นอนว่าเพื่อนฝูงทั้งหลายคงจะหาว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่ไม่ปกติไปซสีแล้วนี่เป็นส่วนน้อยเท่านั้นแต่ที่ยิ่งกว่า น, นั้นก็คือเขาอาจจะหาว่าข้าพเจ้ากลายเป็นวิตฐาน หรือเป็นตัวประหลาดอะไรอย่างหนึ่งในสังคมมนุษย์จากนั้นผลร้ายต่างๆก็จะต้องตกอยู่แก่ครอบครัวของข้าพเจ้ายัางไม่มีปัญหาและข้าพเจ้าก็ตัดสินใจว่าเรื่องนี้ต้องเก็บไว้เป็นความลับโดยไม่บอกให้ใครๆในครอบครัวทราบเลยจะมีประโยชน์อะไรในการที่จะให้คนอื่นๆมาปล่อยกลุ้มใจไปกับข้าพเจ้าด้วยแต่ในที่สุดก็ทํามไม่ได้ เพราะบางครั้งข้าพเจ้าอาจจะทำอะไรๆประหลาดๆให้คนในครอบครัวสังเกตเห็นเข้าจนได้ถ้าไม่บอกให้รู้เสเลยเรื่องมันจะไปกันใหญ่ในที่สุดข้าพเจ้าก็ต้องบอกให้ภรรยาของข้าพเจ้าทราบซึ่งก็ทำให้เธอต้องเป็นกังวลกับข้าพเจ้าอยู่ดังที่คาดไว้ในระยะนี้เรายังไม่ได้บอกเด็กๆให้รู้เรื่องเลยเพราะเห็นว่าแกยังเล็กเกินไปคงจะไม่สามารถเข้าใจอะไรได้ แต่ต่อมาแกก็รู้เรื่องนี้และก็รู้สึกว่าจะเข้าใจได้ดีจนกระทั่งบางครั้งก็ดีจนเลยเถิดชนิดที่ข้าพเจ้าคิดไม่ถึงเสีด้วยซ้ำคือครั้งหนึ่งบุตรสาวของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในหอพักในมหาวิทยายลัยไดเล่าให้ข้าพเจ้าฟังในตอนหลังว่าคืนหนึ่งแกอยู่ในห้องของแกกับเพื่อนหญิงคนหนึ่งแกกําลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้ามองไปรอบๆห้องก็ไม่เห็นใคร แต่ก็ยังไม่ไว้ใจกลัวพ่อของแกเองจะมาเห็นในเวลาที่แกกำลังโป๊แกจึงพูดขึ้นมา ล, ลอยๆว่าถ้าคุณพ่ออยู่ที่นี่ในตอนนี้แล้วก็ขอให้ออกไปจากห้องนะหนูจะเปลี่ยนเสื้อผ้า น, นอนละ่ะดูเอาเถอะในตอนนั้นข้าพเจ้าอยู่ที่บ้านซึ่งห่างออกไปจากที่นั้นถึงสองร้อยไมล์และข้าพเจ้าก็อยู่ในบ้านของเราทั้งกายและใจด้วยเมื่อเวลาล่วงไป ข้าพเจ้าก็ชักจะคุ้เคยกับสภาวะอันแปลกประหลาดนี้ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยพร้อมกันนั้นก็มีความสามารถพอจะควบคุมตนเองได้บ้างพอสมควรและรู้สึกว่ามันก็มีประโยชน์บ้างเหมือนกันหนักๆเข้าก็เกิดความคิดว่าไม่อยากให้มันหยุดหายไปเสียทีเดียวอย่างน้อยก็เอาไว้เป็นอุปกรณ์การศึกษาเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นได้อย่างหนึ่งและในทํานองเดียวกันเมื่อเวลาล่วงไป ข้าพเจ้าก็ได้สติและนึกเปรียบเทียบดูว่าอันที่จริงตนเองก็ไม่ได้มีความผิดปกติหรือมีความบ้ามากไปกว่าคนอื่นๆที่เป็นปกติอย่างใดแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าความกลัวจะหมดไปทีเดียวอย่างน้อยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าจะนำไปปรึกษาให้ใครเห็นใจไม่ได้เลยเพราะถ้าขืนทาเช่นนั้นก็เป็นการแน่นอนว่า ข้าพเจ้าจะต้องกลายเป็นคนวิตถานในสายตาของคนอื่นอย่างแน่นอนมีอยู่บ้างคนหนึ่งคือดรแบรชอซึ่งข้าพเจ้าอาจเล่าให้เขาฟังได้บ้างเป็นครั้งคราววิธีอื่นนอกจากนี้ถ้าจะคิดรักษาหรือแก้กันตามประเพณีก็เห็นจะได้แก่การไปรับการรักษาทางจิตอย่างเป็นทางการกันเลยทีเดียวแต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายๆเพราะการที่จะต้องไปให้หมอสัมภาษณ์ ถามน่นถามนี่อยู่เป็นเวลาหนึ่งปีเป็นอย่างน้อยนั้นก็จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนหลายพันเหรียญทีเดียวและข้อสำคัญก็คือปีเดียวก็อาจจะไม่ได้ผลตามความมุ่งหมายและถ้าการรักษาเวลายืดเยื้อกันออกไปถึงห้าถึงสิบปีก็เป็นอันต้องแย่แน่ๆและที่ร้ายที่สุดก็คือเราจะหวังผลอะไรมากนักก็ยังไม่ได้จากการรักษาแบบนั้น จะเห็นได้ว่าในระยะแร ก, แรกๆของปรากฏการณ์เช่นนี้ขพเจ้ารู้สึกว่าวเวรเหลือเกินจะหาใครเป็นเพื่อนปรับทุกข์หรือช่วยแก้ไขไม่ได้เลยในที่สุดก็ต้องลองศึกษาค้นคว้ากันอย่างมีหลักการและในเรื่องนี้ก็เห็นจะต้องเกี่ยวข้องกับทางศาสนาเสียแล้วอันที่จริงขพเจ้าไม่เคยสนใจหรือมีความคิดน้อมไปในทางศาสนามากมายนักแต่ในเมื่อวิธีอื่นๆทั้งหมด ใช้ไม่ได้ผลแล้วก็มีความคิดว่าน่าจะลองดูเผื่ออย่างไรอาจจะได้รับคำตอบเป็นที่พอใจบ้างถ้าพระเจ้าเคยไปวัดบ้างเมื่อตอนเด็กๆนอกจากนั้นเมื่อโตแล้วก็ไปนานๆครั้งกับเพื่อนบางคนเท่านั้นจึงเป็นอันกล่าวได้ ว, ว่าเรื่องของพระเจ้าและศาสนาไม่ค่อยมีความหมายสำหรับข้าพเจ้าเท่าใดนักรู้สึกตัวว่าไม่อยากคิดถึงให้เสียเวลา เราไม่เห็นมีอะไรที่น่าสนใจเสเลยข้าพเจ้าเคยอ่านเรื่องปรัชญาและศาสนาทั้งของตะวันออกและของตะวันตกแต่ก็ผิวเผินเต็มทีความเข้าใจถ้าจะมีอยู่บ้างก็ดูจะเลือนลางมากบางครั้งดูหลักการนั้นๆก็มีเหตุผลดีอยู่สำหรับเหตุการณ์บางอย่างเท่านั้นข้อความในกัมภีไบเบิลก็ไม่เห็นว่าจะมีคาแนะนาให้รู้ถึงสาเหตุ และวิธีแก้ไขความลำบากแต่อย่างใดทำไปทามาก็ลงเอยด้วยคำแนะนำว่าให้สวดอ้อนวอนพระเจ้าทำความเพียรเพ่งถึงพระองค์อดอาหารไปวัดล้างบาปรับนับถือตรีกายคือ Trinity เชื่อพระบิดาพระบุตรพระจิตอย่าทำความชั่วและยกตนเองให้กับพระเจ้าไปคำสอนทั้งหมดดังกล่าวมั น, นั้นแทนที่จะช่วยแก้ปัญหากลับยิ่งเพิ่มปัญหาให้ยุ่งยากมากขึ้นอีก สมมุติว่าปรากฏการประหลาดในชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเรื่องดีคือหมายความว่าเป็นพรสวรรค์ที่พระเป็นเจ้าประทานมามันก็หน้าที่พระองค์จะประทานให้แก่บรรดานักบุญทั้งหลายหรือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นนักบุญเส้อมากกว่าที่กล่าวนี้ก็คือกล่าวตามหลักฐานในพระคำภีนั้นแต่ข้าพเจ้าเองรู้ตัวดีว่าถึงอย่างไรอย่างไรในตอนนี้ก็ยังเป็นนักบุญหรือปฏิบัติ เพื่อความเป็นนักบุญถึงขนาดนั้นไม่ได้แน่นอนในทางตรงกันข้ามถ้าปรากฏการนี้เป็นเรื่องเลวร้า ย, ายก็หมายความว่ามันเป็นผลงานของพระยามารผู้ซึ่งพยายามจะเข้าสิงอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้าหรือพยายามจะขับไล่จิตใจของข้าพเจ้าออกไปเสียจากร่างกายและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เห็นจะต้องมีพิธีการขับผีออกจากร่างกายของข้าพเจ้ากันเป็นแน่แท้ ในระยะหลังข้าพเจ้าเดีลองไปหาพระเพื่อปรึกษาเรื่องนี้ให้ท่านฟังก็ปรากฏว่าท่านทั้งหมดดูท่าทางจะมีความเห็นว่าข้าพเจ้ากําลังจะเป็นบ้าหรือไม่ก็ถูกผีเข้าเสียแล้วรู้สึกว่าท่านเหล่านั้นจะมองข้าพเจ้าในฐานะเป็นตัวมหาภัยหรือพวกนอกศาสนาพิลึกพิลึกอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นั้นเกี่ยวกับหลักศาสนาด้านตะวันออก ดังที่ด็รแบรดชอว์เคยกล่าวไว้รู้สึกว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้กันเป็นที่รับรองกันทั่วไปว่ามีชีวิตหรือร่างกายซึ่งไม่ต้องอาศัยกายดังที่เราเห็นอยู่นี้ได้จริงๆแต่ทีนี้การที่บุคคลจะถอดกายนี้ออกไปอาศัยกายอื่นได้นั้นก็จะต้องเป็นความสามารถของผู้ที่มีความเจริญคือว่าได้พัฒนาไปในทางจิตใจแล้วเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีคาอธิบาย ถึงรายละเอียดวิธีปฏิบัติเลยนอกจากข้อความการพูดแสดงความเชื่อถือของตนออกไปง่ายๆจะไม่มีผลดีแก่ใครเลยนอกจากว่าจะได้รับการเย้ยเยีนจากคนทั่วไปหมายเหตุความจริงในคำพีฝ่ายพุทธและฮินดูมีการกล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการทำอิทธิปฏิหารในแนวนี้ไว้พอสมควรนะครับเข้าใจว่าท่านคงไม่ได้มีโอกาสได้อ่าน หรืออาจพูดถึงในแง่าทางศาสนาของท่านข้าพเจ้าเชื่อว่าในบุคคลในกลุ่มนี้จะต้องมีเป็นจำนวนหลายล้านเหมือนกันถ้าหากว่าเขายินดีแสดงตัวออกมาโดยเปิดเผยพวกนี้มีแทรกแซงอยู่ทั่วไปในคนทุกประเภทตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์จิตแพทย์หมอแม่บ้านนักศึกษามหาวิทยาลัยนักธุรกิจและเด็กวัยรุ่นก็มี นอกจากนั้นก็ยังมีพระอีกบ้างความเคลื่อนไหวของบุคคลกลุ่มนี้จะว่าไปโดยในยา่าหนึ่งก็คล้ายๆ ก, กันกับการปฏิบัติของพวกใต้ดินที่ก่อการร้ายทางการเมืองเหมือนกันเป็นแต่ว่าเขาไม่ได้มุ่งร้ายต่อผู้ใดเท่านั้นนอกจากว่าจะพยายามให้เป็นไปอย่างลับๆในวงของผู้ที่คุ้นเคยกันจริงๆเท่านั้น อันที่จริงบางครั้งก็อาจมีการป่าประกาศให้ทราบทางหนังสือพิมพ์เหมือนกันแต่เฉพาะผู้ที่อยู่ในวงในเท่านั้นจึงจะรู้ความหมายอันซ่อนอยู่เบื้องหลังคำประกาศนั้นๆการสนทนาในเรื่องของเขาโดยเฉพาะก็จะกระทำกันเฉพาะในวงคุ้นเคยเช่นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันหรือเพื่อนที่สนิทสนมกันจริงๆสังคมนอกจากนี้จะไม่ค่อยได้มีโอกาสล่วงรู้ถึงการงานของพวกใต้ดินประเภทนี้นัก ถ้าท่านถามเข้าตรงๆเขาก็จะปฏิเสธไปต่างๆนานาเพราะว่าบางทีเขาก็อาจไม่รู้ก็ได้ว่าเขาเองก็เป็นสมาชิกใต้ดินแล้วเหมือนกันอย่างไรก็ตามทั้งหมดก็มีอุดมคติของเขาไปในทํานองเดียวกันจะแตกต่างกันบ้างในด้านหารมณ์และความเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นนอกจากนั้นพวกใต้ดินนี้มักจะมีหนังสือภาษาและหลักวิชาของเขาเอง ในปัจจุบันพวกใต้ดินดังกล่าวนี้ยังมิรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนนักอาจกล่าวได้ ว, ว่ายังไม่มีองค์กรที่ตั้งขึ้นเป็นหลักฐานดังที่เราเห็นองค์การทั้งหลายที่ตั้งขึ้นในปัจจุบันนี้แม้ชื่อเสียงเรียงนามของพวกตนเองโดยเฉพาะก็ยังกล่าวไม่ได้ว่ามีตั้งขึ้นเป็นทางการแล้วบางครั้งถ้าจะมีการประชุมกันก็เป็นไปในสถานที่ของพวกกันเอง ซึ่งอาจจะเป็นห้องส่วนตัวของใครสักคนหนึ่งหรือห้องประชุมเล็กๆในธนาคารใดสักธนาคารหนึ่งหรือแม้อาจจะเป็นห้องส่วนตัวของบาทหลวงองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้กลุ่มบุคคลพวกนี้ถ้าจะว่าไปแต่ละกลุ่มก็กําลังคลัมมง่งมงงมงาราอยู่ในความมืดคือความงหนทางเดาไปตามที่ตนคิดว่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องตามใจชอบของตนและดังนั้นจึงมีวิธีการปฏิบัติไปต่างๆกันมากมาย แม้ว่าจุดมุ่งหมายบั้นปลายของเขาจะเป็นอย่างเดียวกันก็ตามเช่นเดียวกับหน่วยใต้ดินในความหมายทางการเมืองเหมือนกันถ้าท่านเป็นสมาชิกอยู่ในหน่วยนี้ในเมืองนี้แล้วต่อมาเดินทางไปที่เมืองอื่น <c oughs> ก็อาจจะได้พบหน่วยใต้ดินเช่นเดียวกันอีกหน่วยหนึ่งก็ได้แต่ทั้งนี้โดยมากก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้าอย่างใดคือมักจะเป็นไปโดยไม่ได้นึกฝันซึ่เป็นส่วนใหญ่ ท่านอาจจะสงสัยอยากถามเป็นกาลังว่าถ้าเช่นนั้นพวกหน่วยใต้ดินที่ว่านี้มีใครบ้างคำตอบก็คือประการแรกได้แก่ผู้ที่มีกิจการงานหรือหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คือเรื่องวิชาลึกลับหรือวิชาที่เกี่ยวกับจิตใจนี้โดยตรงประเภทนี้พวกหนึ่งก็ได้แก่นักจิตวิทยาผู้ศึกษาวิชาที่ยังพิสูจน์ไม่ได้แน่ชัดคือสิ่งที่ยังลึกลับอยู่คือพลาซโคโลจิส ซึ่งมีจํานวนไม่มากนักพวกนี้ได้แก่ผู้ที่ได้ปริญญาด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆและได้ดำเนินการค้นคว้าเรื่องเหล่านี้ยังเปิดเผยเช่นเรื่อง extra sensory perception การประจักษ์เนืออินซีคือความสามารถของมนุษย์ในการรู้หรือเห็นเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆได้โดยไม่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสคืออินรีของร่างกายที่เห็นอยู่นี้ในจานวนนี้ก็มี ดรเจบไรซึ่งประชาชนทั่วไปรู้จักดีด็รไรผู้นี้แต่เดิมอยู่ที่มหาวิทยายลัยดิวได้ดำเนินการค้นคว้ามาถึง30ปีโดยได้ประมวลสถิติเกี่ยวกับการทดลองความสามารถในการอ่านใจผู้อื่นโดยใช้ไพ่เป็นอุปกรณ์จากการค้นคว้ามาเป็นเวลานานถึงขนาดนั้นและได้ทำสถิติไว้อย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนดอกตอรไรก็ลงความเห็นว่า บุคคลบางคนมีความสามารถพิเศษจริงๆคือสามารถทายใจผู้อื่นได้และใช้ประสาทสัมผัสซึ่งไม่ใช่ของร่างกายนี้ได้โดยไม่ได้เล่นกลหรือนึกเดาเอาเองเลยอย่างไรก็ตามยังมีผู้หัวดือ้อไม่ยอมเชื่อรายงานของด็อตร์ราอยู่อีกเหมือนกันโดยเฉพาะในอเมริกาปรากฏว่าพวกนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ยังไม่ค่อยจะยอมเชื่ออยู่นั่นเอง นักประหาดคนอื่นๆที่ดำเนินการค้นคว้าประเภทเดียวกันนี้ก็มีแอนดริชาพิบอริสเจจีแพตโรเบิร์ตครุกโกฮอลนิวฮาร์ดการเดนมอร์ฟีชื่อเหล่านี้ถ้าท่านเป็นสมาชิกพวกใต้ดินดังกล่าวแล้วก็คงจะคุ้นหูดีพอสมควรนอกจากท่านด็อเตอร์ผู้มีเกียรติทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วก็ยังมีหมอดูลายมือข้างถนนซึ่งบางคนก็อ้างว่าเป็นพวกยิบซี ที่อ้างกันนั้นก็เพื่อให้คลังเพราะพวกยิปซีมีชื่อเสียงว่าดูลายมือเก่งยินดิกชันผู้มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในอเมริกาในปัจจุบันนี้ก็ปรากฏตามประวัติว่าได้รับการพยากรจากหมอดูชาวยิปซีเหมือนกันแต่บางคนก็อ้างว่าเป็นชาวอินเดียคือเป็นอินเดียนมาจากนิวเดลีที่อ้างนั้นก็เพื่อให้คลังอีกเหมือนกัน เพราะชาวอินเดียก็มีชื่อเสียงในวิชาลึกลับเช่นนี้ไม่น้อยประเภทนี้มากคิดเงินค่าดูห้าเหรียญโดยอ่านโชคชะตาชีวิตให้5นาทีดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าแนวทางการค้นคว้าแตกต่างกันไปได้อย่างมากมายแต่ความเชื่อถืออันเป็นรากฐานก็มักจะมีเหมือนกันไม่มากก็น้อยพวกใต้ดินจำพวกอื่น มักจะนับถือคำสั่งสอนและมติของพวกอาชีพดังกล่าวแล้วและถือว่ามีหน้าที่และการงานเกี่ยวข้องโดยตรงดังนั้นพวกอาชีพดังกล่าวจึงมักได้รับความเคารพนับถือเสมือนเป็นวีรบุรุษหรือพระเอกของกลุ่มของตนของตนพวกพระเอกหรือนางเอกเหล่านี้ได้แก่ใครก็ตามที่แต่งหนังสือเกี่ยวกับเรื่องประเภทนี้ก็ดีตั้งมูลนิธิก็ดี หรือดำเนินการค้นคว้ามีประสบการณ์ที่สําคัญสาคัญได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากพวกพระเอกหรือนังเอกดังกล่าวผู้มีชื่อเสียงเรื่องหรือพยากรณ์โชคชะตาสอนกรรมฐานหรือการอบรมจิตใจรักษาโรคด้วยกำลังภายในเป็นนักโหราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นพระที่เก่งในทางวิญญาณเป็นคนทรงเป็นนักสะกดจิตหรือแม้แต่ ว, ว่าเป็นนักศึกษาและสังเกตการเรื่องเกี่ยวกับจานบิน หรือจานผียังเอาจริงเอาจังก็ได้บุคคลเหล่านี้ประเภทใดประเภทหนึ่งก็มีโอกาสจะเป็นพระเอกหรือนางเอกของขบวนการใต้ดินได้ทั้งสิน้นพระเอกหรือวีรบุรุษแห่งองค์การใต้ดินเหล่านี้มักจะมีรายได้อย่างน้อยก็บางส่วนมาจากการงานหรือการค้นคว้าของเขาในแบบนั้นๆและพวกนี้ส่วนมากก็มักจะอิจฉากันเองคือมักจะคิดว่า วิธีการของกลุ่มอื่นๆไม่ถูกดังนั้นบางครั้งก็มักจะดูถูกเยาะเยะ้ยหรือไม่ยอมรับรองผลการค้นคว้าของกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้ขึ้นกับตนด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองพวกใต้ดินเหล่านั้นจึงรวมกันเป็นกลุ่มก้อนอย่างมั่นคงเป็นหลักฐานไม่ได้สักทีทั้ทงทั้งที่ในทางใจหรือโดยจุดมุ่งหมายแล้วเขาก็เป็นพวกเดียวกันนั่นเองและเมื่อว่ากันตามจริงแล้ว อย่างน้อยเขาก็พอจะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ด้วยความเห็นอกเห็นใจดีกว่าคนภายนอกมากถึงอย่างไรอย่างไรเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นพวกเดียวกันมิใช่หรือทั้งหมดนี้ไม่ได้กล่าวเพื่อให้ร้ายหรือเพ่งโทษของบุคคลประเภทดังกล่าวมา น, นั้นเพราะโดยทั่วไปข้าพเจ้าก็ยังเห็นว่าเป็นคนที่มีคุณลักษณะบางอย่างน่าเคารพนับถือจริงๆเหมือนกัน เขาพยายามสแสวงหาสัจธรรมตามวิธีของเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจแม้ว่าวิธีการจะแตกต่างกันไปก็ตามถ้าท่านเป็นสมาชิกของจุลมรมนี้ท่านก็จะต้องเห็นด้วยกับข้าพเจ้าว่าถ้าในโลกนี้ไม่มีบุคคลประเภทนี้แล้วก็คงจะเป็นสภาพที่น่าสลดสังเวชกว่านี้มาก สำหรับพวกสมาชิกกลุ่มใต้ดินในระดับธรรมดาทั่วไปก็มีหนังสือให้อ่านในรูปของนิตยสารบ้างหนังสือเล่มบ้างหรือไม่ก็มีการแสดงออกในรูปปกฐกถาและจัดให้มีสโมสรหนังสือหรือแม้แต่จัดให้มีรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ก็เคยมีแต่ในการจัดรายการทางวิทยุโทรทัศน์นั้นปรากฏว่าสมาชิกผู้จัดมีความกระตือรือร้น อยากโฆษณาเรื่องของตนมากเกินไปปรากฏว่าคนที่ได้รับยังไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะปัจจุบันจำนวนผู้เป็นสมาชิกกระบวนการใต้ดินยังไม่มีมากพอดังนั้นเมื่อโฆษณาออกมากเกินไปประชาชนทั่วไปก็มักจะมีปฏิกิริยาในทํานองไม่เลื่อมใสคือไม่ค่อยเชื่อว่าผู้โฆษณานั้นๆจะมีความเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ ในเรื่องที่ตนเองโฆษณาหรือเปล่าคือคงจะคิดว่าทําเป็นการค้ากระมังท่านผู้อ่านคงจะนึกสงสัยอีกแล้วว่าสมาชิกในระดับสามัญคือไม่ใช่ในระดับอาชีพหรือประเภทอาจารย์เหล่านี้มีใครบ้างและเป็นคนประเภทใดบ้างเชื่อไม่ท่านบุคคลใต้ดินประเภทนี้ไม่ได้หมายความว่า จะต้องเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีการศึกษาถือโชคถือลางหรือไม่มีเหตุผลเสมอไปจริงอยู่บุคคลประเภทดังกล่าวก็อาจจะมีรวมอยู่ด้วยบ้างเป็นธรรมดาแต่ก็มีอัตราส่วนไม่มากไปกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยอันที่จริงข้าพเจ้าใกล้ที่จะกล่าวว่าถ้าหากได้มีการสำรวจกันอย่างจริงจังแล้วจานวนผู้ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มใต้ดินระดับสามานนี้ จะต้องมีไอคิหรือระดับสติปัญญาเหนือกว่าระดับปานกลางของคนทั่วไปในสังคมตะวันตกเสียด้วยซ้ำคือคนที่มีการศึกษาไม่ถือโชคถือลางและมีเหตุผลดีนั่นแหละมีแนวโน้มที่จะเชื่อเรื่องนี้มากกว่าคนทั่วไปเอกใดจึงเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าพันธะทางใจที่ผูกพันคนเหล่านี้ไว้ด้วยกัน ก็คือทุกคนเชื่อว่าตัวตนที่แท้จริงของคนเรานั้นยังเป็นสภาพที่การศึกษาในปัจจุบันของเราไม่สามารถจะเข้าใจได้และไม่สามารถทาให้พัฒนาออกมาเต็มที่ได้และนอกจากนั้นตัวตนที่แท้จริงหรืออินเนอร์เซลฟ์ซึ่งอยู่ภายในกายเนื้อหยามที่เห็นได้นี้มีสมรรถภาพพิเศษที่สามารถจะแสดงปรากฏการออกมาทั้งในด้านวัตถุและนามธรรมได้อีกมาก ขนาดวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันไม่สามารถจะเข้าใจหรือรับรองได้เลยความเชื่อสองประการเหล่านี้เองที่เป็นมูลฐานทำให้สมาชิกของหน่วยใต้ดินดังกล่าวมาต้องพากันหาหนังสืออ่านขึ้นเป็นการใหญ่บ้างสนทนากันบ้างหรือไม่ก็คบคิดอภิปรายและประชุมกันเพื่อดำเนินพิธีการทางจิตหรือวิญญาณสุดแลแต่จะเรียกกันท่านรู้สึกตนว่า มีแนวโน้มที่จะเชื่อในเรื่องเช่นนี้หรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นจริงก็หมายความว่าท่านได้เป็นสมาชิกในกลุ่มขบวนการใต้ดินนี้แล้วโดวยไม่รู้ตัวที่นี้เหตุใดคนเราบางคนจึงมีแนวโน้มในทางความรู้สึกเช่นนั้นสาเหตุใหญ่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นได้เคยประสบหรือมีส่วนในปรากฏการบางอย่าง ซึ่งหาเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์ปรชัชญาหรือคำสอนในทางศาสนาสมัยปัจจุบันมาอธิบายไม่ได้เลยในกรณีเช่นนี้จะมีบุคคลสองประเภทคือประเภทที่หนึ่งไม่สนใจไม่ถือว่าเป็นขอมีค่าอย่างใดเขาคิดว่าปล่อยมันไปตามเรื่องแล้วลืมมันเสียดีกว่าส่วนประเภทที่สองไม่สามารถจะลืมได้ เขาพยายามหาคำตอบด้วยวิธีต่างๆและในที่สุดก็ต้องเป็นสมาชิกของขอบวนการใต้ดินนี้เพราะบอกให้ใครทราบโดยเปิดเผยไม่ได้จะถูกเย้ยหยันหาว่างมงายข้าพเจ้าเองเป็นสมาชิกของขอบวนการนี้ก็เพราะได้พยายามหาคำตอบจากแหล่งความรู้ต่างๆที่สังคมรับรองและยกย่องมาแล้วแต่ก็ไม่มีแหล่งใด สามารถให้คำตอบแก่ข้าพเจ้าได้แต่โชคของข้าพเจ้าก็ยังไม่ดีนักเพราะในปัจจุบันข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าคำตอบในเรื่องที่เกี่ยวกับปรากฏการของข้าพเจ้ามีกล่าวไว้น้อยเหลือเกินแม้ว่าข้าพเจ้าจะได้เข้ามาสแสวงหาความจริงในชมรมของโลกเก่าซึ่งแฝงตัวอยู่ในโลกใหม่นี้แล้วก็ตามข้อที่ยังบาใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ถึงอย่างไรอย่างไรสมาชิกชมรมโลกเก่านี้ก็ยังไม่ปฏิเสธเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ประหลาดเช่นนี้ซะเลยเขาเชื่อว่าสิ่งประหลาดซึ่งข้าพเจ้าจะขอตั้งชื่อเรียกเอาเองว่าซ็กแคนสเตตหรือสภาวะที่สองนี้มีอยู่จริงๆและอาจจะเกิดขึ้นได้แก่เราท่านซึ่งยังอยู่ในสภาวะที่หนึ่งคือในโลกที่เราเห็นได้นี้ จากการค้นคว้าก็ทาให้ได้รับความรู้ว่าชมรมที่เรียกได้ว่าใต้ดินนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งปีเศษมานี่เองหรือจะก่อนนั้นก็สักเล็กน้อยซึ่งในตอนนั้นวิทยาศาสตร์กำลังเจรินเติบโตอย่างมั่นคงพร้อมกันนั้นก็กวาดความเชื่อถือต่างๆที่ไม่ลงรอยกันหรือคัดค้านกับตนออกไปยังไม่เลือกหน้าโดยถือว่าสิ่งเหล่านั้นคือน้าเน่า ดังนั้นในการกำจัดน้ำเน่าแห่งความเชื่อถือดั้งเดิมนี้เองผู้นำที่คิดว่าตนมีสติปัญญาเลอเลอิศก็ประนามหรือเยียดยามความเชื่อถือดั้งเดิมที่ตนคิดว่าขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ยังไม่ไว้หน้าคนใดหรือกลุ่มใดที่ยังยึดมั่นอยู่ในความเชื่อถือและการปฏิบัติแบบเดิมก็กลายเป็นคนเข้าไหนไม่ได้ในวงการของปัญญาชน ทีนี้คนกลุ่มที่ยังมีความยึดมั่นในความเชื่อถือดั้งเดิมแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความจำเป็นเช่นในด้านอาชีพที่จะต้องอยู่ในสังคมต่อไปก็ต้องเลือกเดินทางสายกลางหรือเหยียบเรือสองแคมคือเมื่อเวลาเข้าสมาคมกับพวกปัญญาชนก็ต้องแสดงตนว่าเป็นคนสมัยใหม่ไม่ยอมเชื่อตามแบบเก่าๆความเชื่อและการปฏิบัติที่ตนยังนับถืออยู่ก็จำต้องหลบลงใต้ดินไป คือ น, นำมาสนทนาและปฏิบัติกันอย่างลับๆในหมู่ของพวกตนเองซึ่งจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติเช่นนี้ก็ยังคงดาเนินมาจนกระทั่งในสังคมของปัญญาชนในปัจจุบันนี้ทั้งในตะวันตกและตะวันออกโดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกรงจะถูกย่อเยอ้ยว่าการเชื่อตามแบบเก่าๆเป็นความงมงายส่วนบุคคลบางคนในสมัยก่อนนั้น ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยนความคิดของตนทั้งภายในและภายนอกก็ต้องยอมเสียสละทุกอย่างนับตั้งแต่ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองและแม้กระทั่งชีวิตหลังจากนั้นมาจนถึงสังคมปัจจุบันผู้เป็นปัญญาชนก็ยังครองความเป็นใหญ่อ ย, ย, อยู่และจมรวมใต้ดินก็ยังต้องขุดุรูอยู่ใต้ดินเช่นเดิมจะมีบ้างก็เป็นส่วนน้อยที่เป็นผู้มีหน้าที่การงานเกี่ยวกับทางนี้โดยตรง จึงจะประกาศตนออกมาอย่างเปิดเผยในบรรดานักจิตวิทยาผู้คลนคว้าเรื่องพาราไซคโคโลโจสิสคือเรื่องลึกลับและวิชาที่เกี่ยวข้องกันนั้นอาจจะมีอยู่สักห้าคนที่ได้รับการสรรเสริญอย่างเปิดเผยจากผู้ร่วม ง, งานที่เล่านี้หมายถึงจำนวนบุคคลที่ข้าพเจ้าเคยพบปะมาแล้วแต่ก็น่าเสียใจว่า ทั้งๆ ท, ที่ข้าพเจ้าได้พบนักปราดผู้เรืองนามในทางนี้แล้วก็ยังไม่ได้ความสว่างมากขึ้นเลยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในชีวิตของข้าพเจ้าอันที่จริงข้าพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวโทษท่านนักปราดเหล่านั้นเพราะท่านก็ยังรู้ไม่ถึงจริงๆท่านยังไม่มีความรู้อะไรมากนะักเกี่ยวกับสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่าซเกเตตสภาวะที่สองหรือซคเดีคือกายที่สองนี้ ทั้งท่านที่ท่านก็เป็นผู้มีชื่อเสียงแล้วบุคคลที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความสุขใจมักจะเป็นพวกใต้ดินระดับธรรมดาสามัญด้วยกันประเภทนี้มีอยู่ทั่วไปในเมืองใหญ่และน้อยต่างๆในวงการธุรกิจในกลุ่มบุคคลที่ไปวัดในมหาวิทยายลัยและแม้แต่ในสมาคมค้นคว้าทางจิตของอเมริกาพวกนี้เป็นคนสุภาพสนุกสนาน มีอารมณ์ขันนิสัยร่าเริงมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถจะโหราได้ในเวลาที่จำเป็นจะต้องโหราเป็นอย่างยิ่งมีฉะนั้นจะต้องเป็นบ้าตายและอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกนี้มักมีนิสัยอบอ้อมารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นและพร้อมที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลประเภทที่น่ารักที่สุดที่ข้าพเจ้าได้เคยพบเห็นมา พูดกันอย่างตรงไปตรงมาพวกที่อยู่ใต้ดินนี้กลับมีจิตใจน้อมไปทางศาสนายิ่งกว่าพวกปัญญาชนที่อยู่บนดินเสอีกทั้งนี้หมายถึงศา ส, สนาในรูปของคุณธรรมประจำใจไม่ใช่ศาสนาในรูปของบวชวิหารนันใหญ่โตปริญญาพิธีรีตองหรือการโตวาทีอย่างคงล่องแคล่วเป็นต้นเลยอย่างไรก็ตามที่ข้าพเจ้ากล่าวว่า ยังหาคำตอบเรื่องของข้าพเจ้าเป็นที่พอใจไม่ได้นั้นก็ไม่ใช่เป็นการทรงใจว่าการค้นคว้าหรือผลงานทางวิญญาณของแหล่งอื่นๆใช้ไม่ได้เลยบางทีแต่ละแห่งหรือแต่ละสำนักก็คงจะเป็นการเสนอสัจธรรมในแบบหนึ่งๆก็ได้และทั้งนี้ก็อาจจะหมายความว่าสัจธรรมนี้คงจะแสดงออกมาให้ปรากฏได้เป็นหลายอย่างต่างๆกัน ข้าพเจ้าเคยเข้าร่วมวงในการทรงวิญญาณและได้ถามคำถามอย่างตรงไปตรงมาหลายข้อแต่แล้วก็ได้รับคำตอบซึ่งคลุมเครือชับกลคือฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องซึ่งข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าเป็นคำตอบที่เลี่ยงไปเลี่ยงมาซึมากกว่าพูดตรงๆก็คือตอบไม่ได้นั่นเองแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันที่ข้าพเจ้าเคยได้เห็นการทดลอง เกี่ยวกับกายที่สองหรือเซ็กนบอดี้ซึ่งทุกคนที่เห็นก็ต้องยินยอมว่าไม่ใช่เรื่องหลอกลวงอย่างใดเป็นแต่ว่าพวกเราก็ไม่ทราบว่าจะอธิบายได้อย่างไรเหมือนกันตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งคือผลงานของเอ็กาเค e ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นนักบุญในโลกสมัยปัจจุบันจริงๆ เรื่องนี้เป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงถึงอำนาจของวิญญาณและได้มีการสอบสวนค้นคว้าเอาไว้เป็นหลักฐานดีแต่แล้ววงการแพทย์และวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันก็คงจะถือว่าเป็นเรื่องเชื่อไม่ได้อยู่เช่นเดิมทั้งๆ ท, ที่ความจริงในเรื่องนี้ก็แจ่มแจ้งชัดเจนดีเป็นอย่างยิ่งแล้วในสมัยต่อไปถ้ามีผู้ใดเกิดสนใจเรื่องนี้ก็จะต้องไปค้นคว้ากันในห้องสมุด หรือสถานที่เก็บหนังสืออะไรที่ลับๆซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้จักสักแห่งหนึ่งเป็นแน่เพราะไม่มีใครกล้าพูดหรือรับรองอย่างเปิดเผยด้วยเกรงจะถูกหาว่า ง, งมงายจากปัญญาชนที่เห็นได้แน่ชัดก็คือเอ็ดการเคซีได้ถึงแก่กรรมมาได้ประมาณ20สิปีแล้วก็ยังไม่มีใครในปัจจุบันสามารถบอกได้ว่าความสามารถพิเศษของเขามีมาได้อย่างไร และเป็นเช่นนั้นได้ด้วยวิธีใดเมื่อไม่มีใครทําต่อความรู้ความสามารถของเขาก็เป็นอันต้องดับสูญไปพร้อมกับตัวเขาจนหมดสิ้นการพยากรณ์ของเคซี่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างกว้างขวางแต่ก็เป็นการยากยิ่งที่จะอธิบายเหตุผลให้เห็นได้ในทางวัตถุทั้งนี้เพราะความสามารถพิเศษเช่นนั้นเกิดมาจากสิ่งที่เรียกว่าเซ็กเนสเต หรือสภาวะที่สองเคซี่ได้ยืนยันว่าชีวิตความเป็นอยู่ในสภาวะที่สองนั้นมีจริงแต่เขาก็ไม่ได้อธิบายว่ามีได้เป็นได้อย่างไรส่วนมากเรื่องของเคซี่ก็มีเรื่องของความรู้สึกทางศาสนาเข้าแทรกแซงอยู่ด้วยจึงเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากยิ่งขึ้นและเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ทำให้เกิดมีการอธิบายหรือตีความกันไปได้หลายในยะซึ่งปัจจุบันนี้สิทธิของเคซี่หละหลายคนก็กำลังพยายามอธิบายและตีความกันไปคนละแนวตามความคิดเห็นของตนเองเลยไม่ทราบว่าของใครจะถูกกันแน่อันที่จริงก็ยังมีอีกหลายคนที่มีความสามารถพิเศษในํานอนเดียวกันกับเคซี่ คนหนึ่งเคยพยากรณ์ถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตทางวัตถุของข้าพเจ้าแต่พอมาถึงเรื่องประสบการณ์ทางจิตอันแปลกประหลาดเข้าก็พูดไม่น่าเลื่อมใสและคลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยสรุปแล้วก็ทำให้เชื่อไม่ลงนอกจากนั้นก็มีนักพยากรณ์ทางจิตได้พยากรณ์ชีวิตของข้าพเจ้าไว้เหมือนกันแต่ก็เป็นการกล่าวอย่างกว้างๆหาความแน่นอนไม่ได้ และพอมาถึงปัญหาที่ถามกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างง่ายๆก็ตอบไม่ได้สิอีกข้าพเจ้ายังไม่หาที่จะกล่าวว่าบุคคลประเภทนี้หลอกลวงแต่ก็ใครจะออกความเห็นว่าความรู้ของเขาเหล่านั้นยังแคบมากหรือไม่ก็อาจเป็นเพราะเขายังแปลความหมายของสั ญ, ญลักษณ์ที่เห็นในนิมิตไม่ถูกก็เป็นได้ซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็เห็นใจพราทราบดีว่า บางครั้งมันก็ไม่ใช่ง่ายนักเหมือนกันในระยะที่ข้าพเจ้าได้ติดต่อ ก, กับสมาชิกใต้ดินนี้เองที่ความเข้าใจเนียวเรื่องประสบการณ์อันแปลกประหลาดของตนค่อยแจ่มชัดขึ้นมารางๆทีละน้อยถ้าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตนเองแล้วรับรองว่าถึงอย่างไรอย่างไรก็คงจะเชื่อไม่ลงอย่างแน่นอนและความเข้าใจที่ข้าพเจ้าได้รับนี่เอง ก็ทําให้เกิดความรู้ว่าเรื่องเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าคนเดียวเลย mm hmm. เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านผู้อ่านคงใคร้ทราบว่าประสบการณ์ของข้าพเจ้าหมายถึงอะไรกันแน่พูดกันง่ายๆก็คือข้าพเจ้ากำลังมีประสบการณ์เกี่ยวกับการถอดกายทิพย์คือแอสโทรโปรเจคชันนั่นเองดร布拉肖เป็นผู้ไธิแยกิดข้อนี้แก่ข้าพเจ้า ซึ่งแม้ว่าเขาเองจะรู้เรื่องนี้แต่เพียงเลือนลางก็ตามการถอดกายทิพย์คือการที่บุคคลสามารถออกไปจากกายเนื้อที่หยาบของตนได้ชั่วขณะและพร้อมกันนั้นก็ไปมีชีวิตและเคลื่อนไหวอยู่ได้ในกายที่ไม่ใช่วัตถุหรือที่เรียกว่ากายทิพย์คืออสโตรบอดี้คำว่าอสโตรมีผู้ได้ให้คำอธิบายไว้ต่างๆกันทั้งในทางวิทยาศาสตร์และทางอื่น อย่างไรก็าตามคําว่าวิทยาศาสตร์นี้ก็ขอให้ท่านผู้อ่านเข้าใจว่าต้องมีความหมายอย่างจากัดมากเพราะปัจจุบันทางการวิทยาศาสตร์ในตะวันตกยังไม่ได้รับรองเรื่องเช่นนี้และก็อาจจะยังไม่เคยได้ทราบเรื่องนี้เลยก็ได้แต่ในสมัยโบราณเรื่องเช่นนี้เป็นที่คุ้นเคยและรับรองกันโดยทั่วไปคาว่าแอสโตรมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวิชาลึกลับต่าง เช่นการใช้คถาอาคมและศยาศาสตร์ในแบบต่างๆซึ่งคนสมัยปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องโง่เขลาเหลวไหลและงมงายข้าพเจ้าเองก็ยังไม่รู้แน่ว่าคำนี้หมายถึงอะไรโดยแน่นอนเพราะยังไม่ได้ดำเนินการค้นคว้าอย่างจริงจังเท่าใดนักดังนั้นจึงอยากจะใช้คำที่คิดขึ้นเองว่าสภาวะที่สองคือ second state และกายที่สอง คือเซ็ตารบอดี้ไปพลางก่อนในหนังสือเรื่องกายทิพ์มักมีการกล่าวถึงโลกทิพ์ซึ่งได้รับการบรรยายว่ามีภูมิต่างๆแบ่งออกไปเป็นหลายชั้นหลายเชิงภูมิเหล่านี้คือสถานที่ที่มนุษย์จะต้องเข้าถึงหลังจากที่เขาตายจากโลกนี้แล้วดังนั้น คนที่ถอดกายทิพย์ออกไปได้หรือว่าเข้าถึงสภาวะที่สองนี้ได้จึงสามารถท่องเที่ยวไปได้ตามภูมิเหล่านี้บางภูมิได้พบปะสนทนากับคนที่ตายไปแล้วจากโลกนี้โดยมีส่วนร่วมในกิจการบางอย่างในภูมิเหล่านั้นแล้วก็กลับมาเข้าร่างกายนี้ในโลกนี้ใหม่ได้โดยไม่มีผลร้ายหรือความกระทบกระเทือนแต่อย่างใดข้าพเจ้าเองก็เคยนึกฝันอยู่บ่อ ย, อยว่าอยากให้ตนเองทาได้จริงๆอย่างนั้นบ้าง แต่การที่บุคคลสามารถจะกระทำเช่นนี้ได้ตามตำราก็กล่าวว่าเขาจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างหนักหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือเขาจะต้องพัฒนาในด้านจิตใจให้สูงขึ้นอีกมากกล่าวกันว่าคำสอนนี้ได้เป็นมรดกตกทอดกันมาอย่างลับๆตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้ที่มีจิตใจสูงพอแล้วโดยที่เขาเหล่านั้นก็จะได้รับประโยชน์จากความสามารถเช่นนั้น รันแล้วเราก็จะพบว่านานๆครั้งก็จะมีบุคคลบางคนเปิดเผยความลี้ลับนี้ออกมาหรือไม่ก็บังเอิญได้รู้หลักการนี้เข้าจนสามารถทำได้ด้วยตนเองในประวัติศาสตร์เราจะทราบได้ว่าบุคคลได้รับการดูถูกเย็ดยามด้วยวิธีต่างๆเช่นถูกจับมาตอนเสี้บ้างถูกหเราะเยาะบ้างถูกจับมาขังให้ประชาชนดูหรือไม่ก็ถูกเผาไฟก็มี แต่บางทีคนเหล่านั้นก็กลับได้รับการยกย่องว่าเป็นนักบุญเมื่อตายไปแล้วก็มีเหมือนกันเมื่อหวนกลับมาคิดถึงเรื่องของตนเองข้าพเจ้าก็อดคิดไม่ได้ว่าอนาคตของตนออกจะมืดมัวเต็มทีเป็นการประหลาดไม่น่าเชื่อที่เหตุการณ์ในชีวิตของข้าพเจ้ามีส่วนคล้ายคลึงกับหลักการดังกล่าวมาแล้วเดชธรรมไม่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันนั่นเอง อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าในคัมภีแห่งวิชาลึกลับต่างๆเหล่านั้นช่างมีกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้น้อยเหลือเกินเอกใดจึงเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าก็าไม่อาจทราบได้คือหมายถึงวิธีการปฏิบัติอย่างละเอียดเป็นขั้นๆไปว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรรู้สึกว่ามีกล่าวแนะนําไว้น้อยเหลือเกินไม่เพียงพอที่จะถือเอาเป็นแบบเรียนหรือบทฝึกหัดได้เลย แต่การกล่าวอ้างถึงความจริงดังกล่าวนั้นก็ปรากฏว่ามีอยู่ทั่วไปในคัมภีร์ทางศาสนาที่มีข้อความเกี่ยวกับวิชาลึกลับก่อนหน้าที่ศาสนาคริสต์และคัมภีร์ไบเบิลจะเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานก็มีการกล่าวถึงการที่สองไว้อย่างชัดเจนแน่นอนแล้วทั้งในวัฒนธรรมฝ่ายอียิปต์อินเดียและจีนเป็นต้นเชื่อว่าในที่อื่นๆก็คงจะต้องมีกล่าวถึงบ้างเหมือนกัน นักประวัติศาสตร์จะพบข้อความที่พาดพิงไปถึงเรื่องนี้บ่อยๆแต่ก็มักจะลงมติเอาเองว่าเป็นเรื่องที่ยังเชื่อไม่ได้ในคัมภีร์ไบเบิลได้มีกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ทั้งในพระคัมภีร์เก่าและใหม่ในนิกายคาทอลิกก็ยังมีรายงานอยู่เรื่อยว่ามีนักบุญและผู้ที่ปฏิบัติทางศาสนาอย่างเคร่งครัดได้มีประสบการณ์เช่นนี้ ซึ่งบางท่านก็เกิดขึ้นโดยที่ท่านต้องการให้เป็นไปเช่นนั้นบางท่านก็เกิดขึ้นเองโดยที่ตนไม่ได้ปรารถนามาก่อนแม้ในนิกายโปรเตสแตนต์ก็มีรายงานเช่นเดียวกันว่าในระหว่างการปฏิบัติกิจทางศาสนาถ้ามีปีติเกิดขึ้นก็สามารถถอดกายทิพย์ออกไปจากกายเนื้อได้ยิ่งในตะวันออกด้วยเป็นอันว่าไม่มีปัญหาเลย เรื่องช่นี้ถือกันว่าเป็นของธรรมดามานานนักหนาแล้วจึงไม่มีผู้ใดสงสัยว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากแม้ในสมัยนี้ก็ยังเชื่อกันว่ามีผู้สามารถทำได้อยู่แต่โดยมากจะเป็นนักบวชหรืออาจารย์ในทางจิตซึ่งมีความสามารถในทางนี้จริงๆแม้ว่าทางการของวิทยาศาสตร์ปัจจุบันจะยังไม่รับรู้หรือรับรองเรื่องนี้เลยก็ตาม วงการศึกษาปัจจุบันก็ไม่เอาใจใส่เรื่องนี้สาเหตุประการหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าความสามารถเช่นนี้เราจะเอามาสอบสวนทดลองกันในห้องวิทยาศาสตร์เหมือนวัตถุอื่นๆไม่ได้นั่นเองแต่ในแฟ้มประวัติการดำเนินงานสอบสวนบุคคลเป็นรายๆของสมาคมค้นคว้าทางวิญญาณทั้งในอเมริกาและที่อื่นๆ ก็มีรายงานบันทึกเรื่องปรากฏการ์นอกกายเนื้อไว้จากบุคคลต่างๆนับเป็นจำนวนร้อยร้อยรายรายงานเรื่องเช่นนี้บางเรื่องก็ได้บันทึกไว้เมื่อร้อยปีกว่ามาแล้วทั้งหมดนี้ปรากฏเป็นหลักฐานสำหรับผู้ที่สนใจจะไปค้นคว้าได้เสมอแต่ปรากฏการ์นอกกายเนื้อเหล่านั้นก็มาจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตของแต่ละคนที่ได้มีบันทึกไว้ ตามปกติก็มักจะเกิดขึ้นในเมื่อบุคคลนั้นๆป่วยหนักหรือเกิดวิกฤตการณ์ในทางอารมณ์อย่างรุนแรงทั้งหมดนี้ชวนให้คิดไปว่าเป็นเรื่องภายในคือคิดฝันเอาเองซสียมากกว่าแต่การที่มีรายงานบันทึกดังกล่าวเป็นจานวนมากมายเช่นนั้นก็ชวนให้คิดว่าน่าจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่น่าคิดอยู่ในระยะนี้ปรากฏว่า มีผู้พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับประกฏการณ์ลึกลับที่น่าสนใจออกเผยแพร่เป็นจํานวนมากผู้สนใจในเรื่องนี้จะหาอ่านได้โดยง่ายแต่ทั้งหมดนั้นก็มีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งคือส่วนมากมักจะเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาอีกต่อหนึ่งและบางทีก็มีความคิดเห็นส่วนตัวเข้าแต่งเติมเสริมต่อด้วยยังไม่มีรายใดมีการตรวจสอบและทดลองกันอย่างเป็นหลักเป็นฐานเลยเพราะอันที่จริง ก็คือยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์ผู้ใดคนไหนสนใจไปทำการตรวจสอบและทดลองเลยนั่นเองช้าช้านานๆก็จะมีรายงานเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถสร้างสภาวะที่สองให้เกิดขึ้นได้ดังใจและแล้วก็สามารถหลุดออกไปใช้ร่างกายที่สองได้ตามปรารถนาปัจจุบันเท่าที่ข้าพเจ้าทราบมีอยู่สองคนแต่อันที่จริงอาจมีมากกว่านี้อีก คือเป็นผู้ที่ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักเลยก็เป็นได้คนอื่นๆนอกจากนี้ถ้าหากทำได้จริงก็อาจจะเก็บไว้เป็นความลับส่วนตัวไม่ต้องการเปิดเผยให้ผู้ใดรับทราบคนหนึ่งที่ข้าพเจ้าพอจะทราบเรื่องราวนั้นได้คือโอลิเวอร์ฟอกซ์ชาวอังกฤษผู้ดำเนินการค้นคว้าและปฏิบัติในทางจิตอย่างเข้มแข็ง ฟอก์ได้พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับรายงานเรื่องนี้ออกเผยแพร่โดยเล่าถึงประสบการณ์นอกกายเนื้ออย่างละเอียดและได้บอกถึงวิธีปฏิบัติไว้ด้วยแต่ผลงานของเขาไม่ค่อยจะมีผู้สนใจเท่าใดนักนอกจากในหมู่พวกสมาชิกชมรมใต้ดินในยุคปี1920แต่ก็นับได้ว่าเขามีความพยายามในอันที่จะให้คนทั่วไปเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้นจากประสบการณ์จริงๆ คนที่สองที่รู้สึกว่าจะมีผู้รู้จักมากคือซิวานมันดูนผู้ซึ่งได้พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นเผยแพร่หลายเล่มด้วยกันโดยอาศัยความร่วมมือจากเอียววาร์ดคาริงตันในระยะเวลาระหว่างปี1938ถึง1951มันดูนเป็นผู้ถอดกายทิพย์ออกไปเองส่วนคาริงตันเป็นผู้ดำเนินการค้นคว้าในด้านปรากฏการณ์ทางจิต หนังสือของเขาทั้งสองปรากฏว่าแพร่หลายนับเป็นฉบับมาตรฐานอยู่ในปัจจุบันเพราะเป็นรายงานที่น่าสนใจมากแต่ข้าพเจ้าก็ยังอดคิดไม่ได้ว่ามีอะไรหลายอย่างที่คนทั้งสองน่าจะบันทึกแต่ก็ไม่ได้บันทึกไว้เลยนอกจากนั้นข้อมูลที่ให้ไว้ก็นับว่ายังไม่เพียงพอสำหรับผู้อื่นที่จะดาเนินการคนา้นคว้าสืบต่อไป เมื่อเร็วๆนี้มีหนังสือทำนองนี้อีกเล่มหนึ่งโดยพูดแต่งชื่อว่าอิรามซึ่งข้าพเจ้าสงสัยว่าจะเป็นผู้หญิงเพราะคําว่าอิรามนี้เมื่อนำมาเขียนถอยหลังอีกทีหนึ่งก็อ่านได้ว่าแมรี่นั่นเองหนังสือเล่มนี้ก็ได้ให้แง่คิดไว้หลายประการแต่ก็ไม่มีใครที่พาดพิงมาถึงประสบการณ์แบบของข้าพเจ้าเลยเมื่อเร็วๆนี้ ได้มีผู้ดำเนินการค้นคว้าเรื่องลึกลับเหล่านี้โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์และการประเมินค่าแบบวิทยาศาสตร์คือด้วยเจตจำนงที่หาความจริงอย่างแท้จริงผู้ค้นคว้าเหล่านั้นได้แก่ฮาวนิวฮาร์ดแนนดอ o ฟอร์ดโรเบิร์ตครุกเกและคนอื่นอื่นอีกซึ่งคนเหล่านี้ล้ว น, นมีพื้นเพลความรู้เดิมเป็นอย่างดีพอที่จะทาให้ผู้อ่านเกิดความเชื่อถือได้บ้าง ส่วนมากบุคคลเหล่านี้มีใจเป็นกลางไม่มีอคติหรือความน้อมใจเชื่อไปในทางใดทางหนึ่งดังเช่นหนังสือที่พวกสมาชิกชมรมใต้ดินแต่งขึ้นชื่อหนังสือตลอดจนถึงผู้แต่งข้าพเจ้าได้รวบรวมไว้ส่วนหนึ่งท้ายเล่มนี้แล้วทั้งหมดนี้เป็นประจักษ์พยานสนับสนุนความจริงเรื่องกายที่สองได้อย่างเต็มที่แต่หนังสือเหล่านั้นก็ไม่ได้กล่าวถึงข้อมูลและวิธีการทดลอง โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไว้เลยแต่นั่นแหละเมื่อคิดไปก็น่าเห็นใจท่านเหล่านั้นเพราะท่านเป็นเพียงผู้ศึกษาดูรวบรวมจากคำบอกเล่าของผู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นกับตนเองเราจะหวังให้ท่านดำเนินการทดลองอย่างละเอียดในสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างไรปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอๆในการติดต่อกับชมรมใต้ดิน ก็คือประสบการณ์ต่างๆมักจะมีความเชื่อเรื่องเทวดาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอผู้ที่เชื่ออยู่แล้วก็เชื่อได้สนิทใจแต่ผู้ที่ไม่ยอมเชื่อก็ยังตะกิดตะขวงใจอยู่เดี๋ยวเรื่องนี้ข้าพระเจ้าขอเปรียบเทียบตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งคือเมื่อไม่นานมานี้เองประชาชนทั่วไปคิดว่าไฟฟ้าคือพระเจ้ายิ่งก่อนหน้านั้นขึ้นไป เขาก็เชื่อกันว่าดวงอาทิตย์ฟ้าแลบหรือไฟก็เป็นพระเจ้าเหมือนกันคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดารักษาแต่สมัยนี้วิทยาศาสตร์บอกเราว่าความคิดเช่นนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลน่าบขบคันและก็แสดงให้เราเห็นโดยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้ดูแต่ก็ว่าไม่ได้ว่าเมื่อไรได้มีการพิสูจน์กันให้เห็นแจ้งว่าการที่สองเป็นของมีได้จริง และสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่สองจริงเมื่อ น, นั้นการค้นพบดังกล่าวอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อขึ้นมาใหม่ว่าพระเจ้าและผีเทวดาต่างๆมีจริงๆก็ได้ถ้ามาถึงขั้นนี้พวกที่ขุดรูอยู่ใต้ดินก็คงจะขึ้นมาเดินยืดอกอยู่บนดินได้อย่างสง่าผ่าเผยเป็นแน่ชมรมสมาชิกใต้ดิน เรีกทำให้ข้าพเจ้ามีเพื่อนมาอีกหลายคนแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถตอบปัญหาที่น่าคิดต่างๆเช่นข้าพเจ้าควรจะทำอย่างไรดีในเรื่องนี้ไม่มีใครตอบให้เป็นที่พอใจได้เลยมีหนำซ้ำเขาเหล่านั้นกลับจะมาเกณฑ์ให้ข้าพเจ้าตอบปัญหาต่างๆให้เขาเสอีกข้าพเจ้าเดีกล่าแทรกมามากพอแล้วต่อไปนี้โปรดอ่านข้อความต่อไปในบทต่อไป